นนท่นเมตตคูทูลถามว่าพวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นต่อไปขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นด้วยเถิดนักปราทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโศกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอพระองค์ผู้เป็นพระมุนี ขอโปรดตรัสแก่ปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจมแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วคำว่าพวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วอธิบายว่าพวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์เคยได้ทูลขอได้ทูลอัญเชิญได้ทูลให้ทรงประกาศปัญหาใด คำว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัส บ, บอกปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อชี้แจงบอกสแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศแล้วรวมความว่าพวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้ว คำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นต่อไปขอพระองค์โปรดตรัสบอปัญหานั้นด้วยเถิดอธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นเคอทูลขอปัญหาอื่นทูลอัญเชิญปัญหาอื่นทูลให้ทรงประกาศปัญหาอื่นทูลถามให้ยิ่งขึ้นไปคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอปัญหานั้นด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสเคโปรดบอก แสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศเถิดรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นต่อไปขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นด้วยเถิดคำว่าอย่างไรหนอในคำว่านักปราทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโซกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอเป็นคำถามด้วยความสงสัย เป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีแง่มุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนอมิใช่หรือหนอเป็นอะไรเล่าหนอเป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าอย่างไรหนอคาว่านักปราทั้งหลายได้แก่นักปราทั้งหลายคือบัณฑิตผู้มีปัญญามีปัญญาเครื่องตัสรุมียานมีปัญญาแจ่มแจ้ง มีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่าโอคะได้แก่กาโมคะพะโวคะทิทโถคะอวิชโชคะคำว่าชาติได้แก่การเกิดคือเกิดขึ้นการก้าวลงสู่ขันธ์การบังเกิดการบังเกิดขึ้นความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายการได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆคำว่าชราได้แก่ความแก่ คือความซุดโสมความเป็นผู้มีฟันหักความเป็นผู้มีผมหอกความเป็นผู้มีหนังหิวความเสื่อมอายุความแก่หอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆคําว่าโศกะได้แก่ความเศร้าโศกทิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความเศร้าโศกภายในความเศร้าโศกมากภายในความหม่นไหม้ภายใน ความเร่าร้อนภายในความหม่นไหม่แห่งจิตความทุกข์ใจลุกศรคือความเศร้าโศกของผู้ที่ถูกความเสียหายของยากกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งโภกระทรั์กระทบบ้างถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัตสากระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติากระทบบ้างประโจกวกับความเสียหายอื่อนนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้าง ถูกเหตุแทงทุกอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคําว่าปริเทวะได้แก่ความบ่นเพ้อความคร่ําครวญกริยาที่บ่นเพ้อกริยาที่คร่ําครวนภาวะที่บ่นเพ้อภาวะที่คร่ําครวญการพูดพร่ำการพูดเพ้อการพูดเพ้อเจ้อความพร่ำเพ้อกริยาที่พร่ำเพ้อภาวะที่พร่ำเพ้อ ของผู้ถูกความเสียหายของยากกระทบบ้างถูกทิฐิวิบัติกระทบบ้างประจวบ ก, กับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างถูกเฮแทงทุกอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคําว่านักปราทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโศกะและปริเทวะได้อย่างไรหนออธิบายว่านักปราทั้งหลายจะข้ามเคอข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วง ล่วงเลยโอคะชาติชราโโซกะและปริเทวะได้อย่างไรรวมความว่านักปราชญ์ทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโโซกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอคำว่าปัญหานั้นในคำว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตรัสแค่ปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดอธิบายว่าข้าพระองค์ทูลถาม ทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศปัญหาใดขอโปรดตรัสแก่ปัญหานั้นว่าด้วยโมเนยธรรมสามประการคำว่าพระมุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาิทิฏฐิพระผู้มีประภาคทรงประกอบปริญาณ น, นั้น จึงชื่อว่าพระมุนีคือผู้ทรงบรรลุโมนียานแล้วโมนยธรรมธรรมที่ทำให้เป็นมุนีมีสาประการคือ 1. โมนยธรรมทางกาย 2. โมนยธรรมทางวาจา 3. ามโมนยธรรมทางใจโมนยธรรมทางกายเป็นอย่างไรคือการละกายทุจริตสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางกายกายสุจริตสามอย่างชื่อว่า โมนยธรรมทางกายญาณมีกายเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางกายการ ย, ยปริญญาการกำหนดรู้กายชื่อว่าโมนยธรรมทางกายมรรคที่สหะระรคตด้วยปริญญาชื่อว่าโมนยธรรมทางกายการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกายชื่อว่าโมนยธรรมทางกายความดับแห่งกายและสังขาร การบรรลุจตุตทชาญชื่อว่าโมนยธรรมทางกายนี้ชื่อว่าโมนยธรรมทางกายโมนยธรรมทางวาจาเป็นอย่างไรคือการละวจีทุจริตสีอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาวจีสุจริตสี่อย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจายานมีวาจาเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจา วาจาปริญญาการกำหนดรู้วาจาชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจามักที่สหรคด้วยปริญญาชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวาจาชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาความดับแผงวัชีสังขารการบรรลุทุติยฌานชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจานี้ชื่อว่า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 โมเนยธรรมทางใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจิตชื่อว่าโมเนยธรรมทางใจความดับแห่งจิตตสังขารการบรรลุสัญญาวเวทยิทนิโรธชื่อว่าโมเนยธรรมทางใจนี้ชื่อว่าโมเนยธรรมทางใจสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายเรียก บ, บุคคลผู้เป็นมุนีทางกาย เป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจผู้ไม่มีอาสะวะว่าเป็นมุนีผู้สมบูรณ์ด้วยโมนยธรรมและกิเลสทั้งปวงได้บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นมุนีทางกายเป็ น, ปนมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจผู้ไม่มีอาสะวะว่าเป็นมุนีผู้สมบูรณ์ด้วยโมนยธรรมล้างบาปได้แล้ว มุนีผู้ประกอบด้วยโมนยธรรมสาประการเหล่านี้มีหกจำพวกคือหนึ่งอาคาระมุนีสองอนาคาระมุนีสเซขมุนีสเอเซขมุนีหปัจเจกมุนีหมุนิมุนีอาคาระมุนีเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้ครองเรือนเห็นทางนิพพานแล้วรู้แจ้งหลักคำสอนแล้ว เหล่านี้ชื่อว่าอาคารามุนีอนาคารามุนีเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้เป็นบนรรปะชิตเห็นทางนิพพานแล้วรู้แจ้งหลักคำสอนแล้วเหล่านี้ชื่อว่าอนาคารามุนีพระเสขาเจตจาพวกชื่อว่าเสขะมุนีพระอรหันต์ทั้งหลายชื่อว่าอเสขามุนีพระประเจกพรพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าปเจกมุนี พระาธรรมคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่ามุนิมุนีสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าบุคคลโง่เขลาไม่รู้อะไรเพียงแต่นั่งนิ่งนิ่งหาชื่อว่าเป็นมุนีไม่ส่วนบุคคลผู้ฉลาดเลือกช่างเอาแต่สิ่งที่ดีละทิ้งสิ่งที่ชั่วเหมือนบุคคลช่างสิ่งของจึงจะชื่อว่าเป็นมุนีแท้ ผู้ที่รู้โลกทั้งสองก็เรียกว่าเป็นมุนีเช่นกันผู้รู้ธรรมทั้งของอสัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษทั้งภายในและภายนอกในโลกทั้งโปวงเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาขายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าแก้ปัญหานั้นให้แจมแจ้งได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสบอกคือโปรดแสดงบัญญัติกาหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งรวมความว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมุนีขอโปรดตรัสแก้ปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดคาว่าเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วอธิบายว่าเพราะพระองค์ทรงทราบคือเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทาให้แจ่มแจ้งแล้วรวมความว่า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 พระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตรัสแค่ปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจมแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตคู บุคคลรู้ชัดทมใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พืงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทิกาในโลกได้เราจะกล่าวธรรมนั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอคำว่าธรรมในคำว่าเราจะกล่าวธรรมแก่เธออธิบายว่าเราจะกล่าวคือจากบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่าย ประกาศพรหมจันทร์ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัดและเพียญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสติประธาน 4, สัสมมตประธานสี่อิทธิบาทสี่อิน 5, รีห้าพละห้าผูชงเจ็ดอริยมรรมิองค์8นิพพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าเราจะกล่าวธรรมแก่เธอ คำว่าเมตคูเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพรมนั้นโดยชื่อคำว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วในคำว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วอธิบายว่าในธรรมที่เราได้เห็นแล้วคือในธรรมที่ได้รู้แล้วในธรรมที่ได้เทียบเคียงแล้วในธรรมที่ได้พิจารณาแล้วในธรรมที่ทาให้แจ้งแล้วในธรรมที่ทำให้กระจ่างแล้ว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 ในธรรมที่ทาให้กระจางแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วมมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าเราจะกล่าวในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเราจะกล่าวถึงทุกในทุกขที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงสมุทัยในสมุทัยที่ได้เห็นแล้วจะกล่าวถึงมรรคในมรรคที่ได้เห็นแล้ว จะกล่าวถึงนิโรธในนิโรธที่ได้เห็นแล้วรวมความว่าเราจะกล่าวในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเราจะกล่าวธรรมที่เห็นได้เองไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเชิญมาดูได้ควรน้อมเข้ามาในตนวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วรวมความว่าเราจะกล่าวในธรรมที่เราเห็นแล้วอย่างนี้บ้าง รวมความว่าในธรรมที่เราเห็นแล้วควมว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองอธิบายว่าเราจะกล่าวถึงธรรมที่รู้ด้วยตนเองธรรมที่ประจักษ์แก่ตนเองมิใช่โดยอาการเชื่อผู้อื่นว่าธรรมนี้เป็นดังนี้ดังนี้มิใช่โดยการเล่าเลือมิใช่โดยการถือสืบสืบกันมามิใช่โดยการอ้างตำรามิใช่โดยตักกะมิใช่โดยการอนุมาน มิใช่เดือการคิดตรองตามแนวเหตุผลมิใช่เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษ์แล้วรวมความว่าที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วคำว่าบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วคือเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วได้แก่ ผู้คนรู้ชัดแล้วเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจางแจ้งทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขานทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดจริงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคําว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฐานพิจารณากายในกาย บุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติคาว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่คาว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัิการในโลกได้อธิบายว่า ตัณหาชื่อว่าวิสติกาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลลมูลคือโลภะว่าด้วยตัณหาชื่อว่าวิสตกิกาคำว่าวิสติกาอธิบายว่าตัณหาชื่อว่าวิสติกาเพราะมีความหมายอย่างไรตัณหาชื่อว่าวิสติกาเพราะแผ่ไปชื่อว่าวิสติกาเพราะซ่านไป ชื่อว่าวิสัติกาเพราะขยายไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะไม่สม่ำเสมอชื่อว่าวิสัติกาเพราะครอบงำชื่อว่าวิสัติกาเพราะสะท้อนไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะเป็นตัวการให้พูดผิดชื่อว่าวิสัติกาเพราะมีรากเป็นพิษชื่อว่าวิสัติกาเพราะมีผลเป็นพิษ ชื่อว่าวิสัติกาเพราะเป็นตวการให้บริโภคสิ่งมีพิษอีกนายหนึ่งตัณหานั้นแผ่ไปซ่านไปขยายไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะตระกูลหมูนะ่คณะอาวาสลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินทบาทเสนาชนะกิฬาณปัจจัยเพสัจบริขารกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุ การมาพรูปพบอรูปพบสัญญาพบอสัญญาภพบในวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการพบเจตุโวการพบปัญจโวการพบอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินแล้วกลิ่นรสโภชภะที่รับรู้แล้วและธรรมารมที่พึงรู้แจ้งฉะนั้นจึงชื่อว่าวิจัติกา คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคำว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิการในโลกได้อธิบายว่าผู้มีสติพึงข้ามเพอพึงข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิการในโลกได้รวมความว่า พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัตธิกาในโลกได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตขูบุคคลรู้ชัดรมใดแล้วมีสติที่ยอวอไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัธิกาในโลกได้เราจะกล่าวธรรมนั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอ เตกูทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พื้นข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิจัติการในโลกได้คำว่านั้นในคำว่าข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นได้แก่พระดำรัสคำที่เป็นแนวทางเทศนาคาสั่งสอนคาพร่ำสอน คำว่าชอบใจได้แก่พอใจชอบใจคือเบิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีทูลขอปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังรวมความว่าข้าพระองค์ชอบใจทำอันสูงสุดนั้นว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ในคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจทำอันสูงสุดอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาศีลขันธ์ใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหา ค้นหาเสาะหาสมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุติขันใหญ่วิมุติญาณทัศนะขันใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องทำลายกองความมืดใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหา เสาะหาเครื่องทำลายความวิปลาดใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องถอนลูกศรคือตันหาใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องปลดปลื้งโครงทิฏฐิใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระผ erm. ู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องกำจัดทงคือมานะใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องเข้าไปสงบอภิสังขารใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องปิดกั้นโอคะใหญ่จึงชื่อว่า Wow. ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องวางภาระใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องตัดสังสารวัตใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องดับความเดือดร้อนใหญ่ จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องระงับความเร่าร้อนใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องยกทงคือธรรมใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหา สอหาสติประทานใหญ่สมมะประทานใหญ่อิทธิบาทใหญ่อินทรีย์ใหญ่พละใหญ่โูชชงใหญ่ฮริยมรมีองค์แปดใหญ่ปรมัตถะอมตนิพพานใหญ่จึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่เหล่าสัตว์ผู้มิเหจักแสวงหาค้นหาสาหาว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงองค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คําว่าธรรมอันสูงสุดอธิบายว่าอัมมตะนิพานตราเรียกว่าธรรมอันสูงสุดได้แก่ธรรมเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลาดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหา เป็นที่ยคลายกำนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคําว่าสูงสุดได้แก่ธรรมอันเลิศประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมรวมความว่าธรรมอันสูงสุดคําว่าที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าที่บุคคลรู้ชัดแล้วคือเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจ่าง ทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงได้แก่ที่บุคคลรู้ชัดแล้วเคาเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจ่างทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งได้จริงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดรวมมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปฐานพิจารณากายในกายในเวทนาทั้งหลายในจิตสชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติคำว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไป รวมความว่าที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติที่โอไปอยู่คำว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกได้อธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าวิสัตติกาได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนะักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าวิสัตติกาอธิบายว่าตัณหาชื่อว่าวิสัตติกาเพราะมีความหมายอย่างไร ซ่านไปขยายไปจึงชื่อว่าวิสัตถิกาคําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกคําว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตถิกาในโลกได้อธิบายว่าตัณหานี้ที่ชื่อว่าวิสัตถิกาในโลกบุคคลเป็นผู้มีสติพึงข้ามเพื่อพึงข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วง ล่วงเลยตัญหาที่ชื่อว่าวิสัทิการในโลกได้รวมความว่าพึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัทิการในโลกได้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัทิการในโลกได้ ผู้มีประภาคตรัสตอบว่าเนตครู oku, เธอรู้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอจงบรรเทาความเพลิดเพลินความถือมั่นและวิญญาณในธรรมเหล่านี้เสียไม่พึงตั้งอยู่ในภพคําว่าเธอรู้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอธิบายว่าเธอรู้คือทราบรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมความว่าเธอรู้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเนตคูเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพรามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเนตคู ว่าด้วยทำชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางคำว่าชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางอธิบายว่าอนาคตตรัสเรียกว่าชั้นสูงอดีตตรัสเรียกว่าชั้นต่ำปัจจุบันตรัสเรียกว่าชั้นกลางเทวโลกตรัสเรียกว่าชั้นสูงนิริยโลกตรัสเรียกว่าชั้นต่ำมนุสเซยโลกตรัสเรียกว่าชั้นกลางอีกในหนึ่ง กุศลธรรมตรัสเรียกว่าชั้นสูงอกุศลธรรมตรัสเรียกว่าชั้นต่ำอพยากตะธรรมตรัสเรียกว่าชั้นกลางอารุปถาตตรัสเรียกว่าชั้นสูงกรรมถาตตรัสเรียกว่าชั้นต่ำรูปถาตตรัสเรียกว่าชั้นกลางสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นสูงทุกขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำ อทุกขมสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นกลางเบื้องสูงจากฝ่าเท้าขึ้นไปตรัสเรียกว่าชั้นสูงเบื้องต่ำจากปลายผมลงมาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำตรงกลางตรัสเรียกว่าชั้นกลางรวมความว่าชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางคำว่าในธรรมเหล่านี้ในคำว่าเธอจงบรรเทาความเพลิดเพลิน ความถือมั่นและวิญญาณในธรรมเหล่านี้เสียไม่พึงตั้งอยู่ในภพอธิบายว่าในธรรมที่เราบอกแล้วแสดงแล้วบัรยัติแล้วกำหนดแล้วเปิดเผยแล้วจาแนกแล้วทำให้ง่ายแล้วประกาศแล้วปัญหาตาดเรียกว่าความเพลิดเพลินคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคโลคลภะคําว่าความถือมั่นได้แก่ ความถือมั่นสองอย่างคือหนึ่งความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหา 2. ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาเป็นอย่างไรคือด้วยส่วนแห่งตันหาเท่าใดนี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจตัณหาความถือมั่นด้วยอำนาจทนนิฏฐิเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบนี้ชื่อว่าความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ คำว่าเธอจงบรรเทาและวิญญาณอธิบายว่าวิญญาณที่สหรโคตด้วยปุญญาภิสังขารวิญญาณที่สหรโคตด้วยอปุญญาภิสังขารวิญญาณที่สหรโคตด้วยอเนนชาพิสังขารเธอจงสลัดบรรเทาถอนถอนเสียละละทิ้งละให้หมดทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเพลิดเพลินความถือมั่น และวิญญาณที่สหรคตรด้วยอภิสังขารในธรรมเหล่านี้รวมความว่าเธอจงบรรเทาความเพลิดเพลินความถือมั่นและวิญญาณในธรรมเหล่านี้เสียคําว่าไม่พึงตั้งอยู่ในภพอธิบายว่าคําว่าภพได้แก่ภพสองคือหนึ่งกรรมภพสองภพใหม่อันมีในปฏิสนธิกรรมภพเป็นอย่างไรคือปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขารอนเนชาภิสังขาร น, นี้ชื่อว่ากรรมภพภพใหม่อันมีในปฏิสนธิเป็นอย่างไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีในปฏิสนธินี้ชื่อว่าภพใหม่อันมีในปฏิสนธิคาว่าไม่พึงตั้งอยู่ในภพอธิบายว่าละบันเทาทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเพลิดเพลินความถือมั่นวิญญาณที่สหรคตด้วยอภิสังขารกรรมภพและภพใหม่อันมีในปฏิสนธิไม่พึงตั้งอยู่ในกรรมภพไม่พึงตั้งอยู่คือไม่พึงดำรงอยู่ในภพใหม่อันมีในปฏิสนธิรวมความว่าเธอจงบรรเทาและวิญญาณในธรรมเหล่านี้เสียไม่พึงตั้งอยู่ในภพด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตตคูเธอรู้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอจงบันเทาความเพลิดเพลินความถือมั่นและวิญญาณในธรรมเหล่านี้เสียไม่พึงตั้งอยู่ในภพ ผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทรู้แจ้งและความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปอยู่พึงละชาติชราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอนคําว่าผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ในคําว่าภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาท อธิบายว่าภิกษุผู้ละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเพลิดเพลินความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณที่สระครด้วยอภิสังขารกรรมาพบและพบใหม่อันมีในปฏิสนธิรวมความว่าผู้มีปกติอยู่อย่างนี้คำว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปฐานพิจารณากายในกายภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติว่าด้วยความไม่ประมาทคําว่าไม่ประมาทอธิบายว่าผู้ทำด้วยความเอื้อเฟื้อทำติดต่อทำไม่หยุดประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ละความพอใจไม่ทอดทุระชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย คือความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขยันความไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสความเพียรแรงกล้าความตั้งใจความประกอบหนึ่งๆด้วยคิดว่าเราพึงทําศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์โดยอุบายอย่างไรหรือพึงใช้ปัญญาตามรักษาศีลขันธ์ให้บริบูรณ์ในข้อนั้นๆโดยอุบายอย่างไรดังนี้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 ความประกอบหนึ่งหนึ่งด้วยคิดว่าเราพึงกําหนดรู้ทุกข์ที่ยังไม่ได้กําหนดรู้พึงละกิเลสที่ยังไม่ได้ละพึงเจริญมากที่ยังไม่ได้เจริญหรือทำให้แจ้งนิโรธที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งด้วยอุบายอย่างไรดังนี้ชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายรวมความว่าภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาท คำว่าภิกษุในคําว่าภิกษุและความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปอยู่ได้แก่ภิกษุผู้เป็นกรลายานปุปุชนหรือภิกษุผู้เป็นพระเสกขะคําว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไปคําว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาสองความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิภิกษุและความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิ คือละชะละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยึดถือว่าของเรารวมความว่าภิกษุและความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปอยู่คำว่าชาติในคำว่ารู้แจ้งพึงละชาติจราโซกะและปริเทวะเป็นเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอนได้แก่การเกิดคือเกิดขึ้น การก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดขึ้นความปรากฏแห่งคันทั้งหลายการได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆคำว่าชราได้แก่ความแก่คือความสุดโทมความเป็นผู้มีฟันหักความเป็นผู้มีผมงอความเป็นผู้มีหนังหิวความเสื่อมอายุความแก่งห่มแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆ คำว่าโศกะได้แก e ่ความเศร้าโศกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความเศร้าโศกภายในความเศร้าโศกมากภายในความหม่นไหม้ภายในความเร่าร้อนภายในความหม่นไห้แห่งจิตความทุกข์ใจลูกศรคือความเศร้าโศกของผู้ที่ถูกความเสียหายของยากกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งโภกรทรับกระทบบ้างถูกความเสียหายเพราะโรคกระทบบ้าง ถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้างประจกกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคำว่าปริเทวะได้แก่ความบ่นเพ้อความเคร่มครวญกริยาที่บ่นเพ้อกริยาที่ครื่มครวญภาวะที่บ่นเพ้อภาวะที่ครื่มครวนการพูดพร่ามการพูดเพ้อ การพูดเพ้อเจอ้อความพร่มเพอกริยาที่พร่มเพอภาวะที่พร่มเพอของผู้ถูกความเสียหายของยากกระทบบ้างถูกทิฐิวิบัติกระทบบ้างประโจกกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างถูกเคแทงทุกเอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคำว่านี้ได้แก่ในความเห็นนี้ในมนุษยโลกนี้คำว่ารู้แจ้งได้แก่ มีความรู้แจ้งคือมีวิชามียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่าอันเป็นทุกข์ได้แก่ชาติทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาทุกข์คำว่ารู้แจ้งพึงละชาติชราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอนอธิบายว่า มีความรู้แจ้งคือมีวิชามีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสพึงละคือพึงบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งชาติชาาโสกะปริเทวะและทุกข์ในโลกนี้เองรวมความว่ารู้แจ้งพึงละชาติชาราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอน ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าทิสุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทรู้แจ้งและความคิดถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปอยู่พึงละชาติชราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอน